เธอ nan ได้เปลี่ยนไปถึงพูดไม่บ่อยแต่ก็พูดหน่อยแล้วกันเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจดังมี baby ทใจ เธอหนุนคอยหลบตาฉันจากวันวาน Not o p r o I'm a